พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห1อดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2556วันอาสาลหาบูชามีเชื่อเรื่องว่าเดินตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นเอาต่อในี้ไปตั้งใจฟัง วันนี้เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันอาสระบูชาและก็เป็นวันเข้าพรรษาวันพุ่งนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่มารักษาศีลวันนี้ถือว่าเป็นวันสตาร์ตเครื่องเหมือนรถยนต์กับพ่อว่าสตาร์ตอุ่นเครื่องแล้วก็อย่าง กฎระเบียบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำมาทุกปีวันพุ่งนี้ก็เป็นวันที่จะต้องตักบาสนอกวัดหน้าวัดแต่ยังไม่จริงจังเพียงแต่ว่าประเดิมเพราะยังไม่ได้เข้าพรรษาแต่ถึงยังไงพวกเราก็เตรียมพร้อมเอาไว้ว่ามเมื่อเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาจริงเราจะทำยังไงอันนี้วันพุ่งนี้เป็นเพียงแต่ว่า เป็นการทดสอบทดลองอความคล่องตัวาการเป็นอยู่เหมือนทุกปีไหมตลอดถึงพระที่เข้ามาบวชใหม่ก็ยังไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะต้องได้ศึกษาวันพรุ่งนี้วันนั้นวันนี้เป็นวันอส า, าระหะ เ, เป็นวันวันพระแล้วก็ พวกเราก็คงจะเตรียมจิตเตรียมใจไว้พร้อมแล้วว่าพรรษาที่จะถึงเนี้ยปีเนี้ยวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนวันออกพรรษาเราจะทำตนอย่างไรแต่บางคนเขาก็บอกกับหลวงพ่อมาว่ า, าในพรรษานี้ เขาจะท่องอิติปิโสตามลูกประคำให้ลูกประคำอิติปิโสตามลูกประคำร้อยแปดร้อยแปดลูกอันนี้เขาก็ต่างคนก็ตา่างจะคิดถ้าจะทำยังไงที่จะทำจิตใจของเราแต่ละคนสู่คุณงามความดี นวะสูสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาือวะทานศีลภาวนาในพรรษานี้สรุปแล้วก็คือตั้งติดตั้งใจประกอบคุณงามความดีเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาพวกเราก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจเท่าที่ควรแต่บัดนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาคล้ายๆแ ขันสนอเข้าสู่คุณงามความดีเพราะแต่ก่อนกิเลสของเรามันออกเพ่นพ่านวุ่นวายไปหมดแต่ในพรรานี้พวกเราจะพยายามขันกิเลสเข้าสู่หลักศีลหลักธรรมคือหลักธรรมวินัยให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเนี่ยแต่ว่าจะได้สมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาหรือไม่ เพราะว่าพวกเราบางท่านบางคนบางทีทําก็ทําท่าจริงๆ จ, จังจังใหม่ๆพอทําไปแล้วก็สู่กิเลสไม่ได้เลอะแหละล้มเหลวก็มีมากต่อมากเพราะนั้นพวกเราทุกทกุท่านที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้จริงจังและจริงใจการที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นไม่ใช่ว่าจะทําไดไง้ง่ายๆ ก็ทายากอยู่ทางว่าไม่ตั้งใจถ้าว่าตั้งใจแล้วจริงจังแล้วจริงใจมีสัจจะแล้วอันไหนขวางไม่ได้ทั้งนั้นเอาชนะได้ทั้งหมดกิเลสภายในใจของเราแต่ถ้าว่าเราไม่มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเราจะล้มเหลวตลอดไปขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันดับแรกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้า สำหรับฆราวาสญาณโจรก็คือให้มีทานจากนั้นก็ให้มีศีลจากนั้นก็ให้มีภาวนาสำหรับพระสงฆ์ที่เขามาอยู่พัดวาศาสนาก็ให้มีความซักจริงกับตนเองเหมือนกันม่ใช่มีแต่เฉพ า, า, าพะเจ้าทายาทโยมข้าพเจ้ามาบวชในคราวนี้ข้าพเจ้าจะพยายามเร่งความภาคเพียรพยายาม นั่งภาวนาให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะเดินจยง ก, กลมกี่ชั่วโมงอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดสมัยหลวงพ่อเป็นสมณเนยอยู่ที่ภูจ ก, กอหกโมงครึ่งก็ไปบินทบาทกลับมาก็เดินขึ้นมากับภูเขาขึ้นมากระชันจังหันเสร็จแล้วก็ประมาณชักโมงหรือดโมงกว่ากว่าขึ้นไปส่งบาทหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาก็เดินยง ก, กลม ตั้งแต่8โมงกว่าจนถึง11โมงครึ่งก็จได้ยินเสียงกลองกรองเพลบ้านนอกเขาจะมีพระประจําหมู่บ้านของเขาพอใกล้เที่ยงประมาณสัก 10-11 โมงเน่ยเขาจะตีกลองชาวบ้านเขาลงไปจังหันนี่แหละพอได้ยินเสียงกลองแล้วก็หยุดกลองเพลแล้วก็หยุดทุกวัน เดินโยกรมตั้งแต่8ดโมงกว่าถึงพอมบางทีกับ8ดโมงครึ่งจนไปถึงสิบเอดโมงหรือว่าส1บอโมงกว่ า, วานี่แหละอันนี้ก็คือเราตั้งสัจจะมันก็ได้น ะ, ะได้ทาได้ทุกวันตลอดตรมาดสามเดือนอบางครั้งเราก็เอาืออาหารมาทำไมมันเลือกที่ตรงนู้นตรงนี้หลวงปู่ล่าท่านก็บอกว่าหลวงปู่ทา ที่เป็นลูกศิษย์รุ่นราวข่าวเดียกับหลวงปู่มั่นเวลาท่านจะฉันอาหารเนี่ยท่านจะคนคนคนใส่กันให้เป็นอันเดียวกันทั้งหมดไม่มีช่องนั้นหวานช่องนี้ข่าวท่านก็ฉันเท่าไหรก็เท่านั้นท่านฉันไม่มากอีกต่างหากอันนี้หลวงพ่อเอได้ยินหลวงปู่ล่าลูกพ่อก็ทําอีกเหมือนกันนะเอาอาหารพอใจบาตรพอสมควรก็คนคนคนใส่กันเจตนะก็ฉันไป มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ติดพบติดชาติเพราะนั้นเราทดลองทดสอบดู เ, เราอย่าพิถีพิถันในการเป็นอยู่เพราะอาหารก็เพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพของเราให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้กินให้ อ, อ, อริดอร่อยกินเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะอ้วนหมีผีมัน อ, อ, อะไรเพียงแต่ยังชีพให้ได้ดํารงประพฤติปฏิบัติธรรม ได้รักษาศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นเราไม่ได้คิดพิถีพิถันประดิษฐ์ประดอยเรื่องเอา อ, เอาหงอาหารพอเราเป็นนักพรตนักบวชนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้เคยปฏิบัติมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายให้ทั้งอกตั้งใจในมีสัจจะในการเป็นอยู่และจะนั่งภาวนาเท่าไหร่ เดินยกรมเท่าไหร่แล้วก็อย่าไม่ควรจะปล่อยปาละเลยพูดคุยกันจนเกินไปเพราะเราเข้ามาศึกษาเรามาเพื่อปฏิบัติเราจะอ่านเราจะศึกษาพอประมาณสำหรับพระเนี่ยสำหรับคารวะญาติโจมก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้าให้มีสัจจะกับตนเองเออจะไหวพระรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอย่างไร สำหรับคราวาิญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพอดูสุขภาพดูสุขภาพตัวเองด้วยวิธีการภาวนาแต่ว่าดูทุขภาพก็เถอะนะเราก็ต้องมองดูว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองพอแรงเราจะปา น, นอนอกนอนใจอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันถึงยังไงถึงจะ นั่งไม่ได้นานเราก็นั่งบ่อยๆภาวนาบ่อยๆให้ต่อเนื่องอย่างภิกษุณีที่ท่านบวชเข้ามาพายแก่มาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านไม่นอนกลางคืนท่านเดินจงกรมท่านเดินอย่างไงสมัยก่อนไม่มีไฟหาไฟยากท่านก็เอามือข้างขวานจับต้นเสากอดต้นเสาเกาะต้นเส า, เสาจากนั้นก็พยายามเดินรอบต้นเสากําหนดจิตดูใจของตนเอง ท่านจะบริกรรมท่านจะพิจารณาอะไรในการเดินยงกลมของท่านแต่ความือข้างขวาเนี่ยเกาะต้นเสาแล้วก็ท่านก็ค่อยๆเดินถ้าไม่เดินไม่เดินเร็วถ้าเดินเร็วก็มันจะเวียนศีรษะฮะแต่นีนท่านเดินช้าๆให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินเพราะฉะนั้นการเดินยงกลมเราจะทําทางอย่างเดียวค่อยๆเดินไม่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เดินอยู่ในห้องก็ได้เดินให้มีสติสัมปชัญญะในการรู้ในการเดินนี่แหละอันนี้ก็คือการนั่งภาวนาก็าเหมือนกันถ้าเรานั่งภาวนาเออมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บปวดในอวัยวะเราก็เลยนอนเฉยเลยมันก็ไม่ได้เราอาจจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือว่านั่งเหยียดขาไปข้างหน้าก็ได้หรือจะนั่งขัดสมาธ ถืว่านั่งพับเพียบอันไหนก็ได้มันมีได้หลายอย่างแต่ถึงยังไงก็พยายามฝืนฝืนตัวเองไม่ใช่ว่ามันปวดหน่อยนึงเราก็หยุดเวลาเรานั่งดูหนังฟังเพลงที่ที่ไหนไหนเนี่ยสนุกสนานนั่งเท่าไหร่ก็ได้ทั้งวันทั้งคืนนั่งเล่นผงเล่นไพ่น่ยนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้พอมานั่งภาวนาหน่อยเดียว ก็ว่าปวดแข้งปวดขาปวดนั่นปวดนี่หสิ่งเหล่านี้เอ่อเราอย่าไปตามกิเลสจนเกินไปเราต้องฝืนกิเลสฝืนความรู้สึกของเราบ้างนะนี่แหละวันนี้หลวงพ่อจะแนะวิธีการปฏิบัติเพราะนานแล้วหลวงพ่อไม่ได้แนะแนะวทางปฏิบัติให้กับคณะัทธาญาณโจมเพราะปีหนึ่งก็มีผู้ที่เขามาศึกษาปฏิบัติผู้ที่รู้บ้าง บางทีก็ได้ยินแต่ไม่ชัดเจนบางท่านบางคนก็ได้ยินมามากต่อมากแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เคยได้ยินเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะไม่พูดฉเฉลยก็ไม่ได้แต่จะพูดจนพุ่มเพื่อเรื้อรังจนเกินไปก็เป็นที่ลํำคาญสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ไม่พูดฉเฉลยผู้เข้ามาศึกษาใหม่จะรู้ได้อย่างไรเพราะนั้น หลวงพ่อในฐานะที่เป็นพวกท่านทนายยกว่าเป็นครูบาอาจารย์หือเป็นเจ้าของที่จะแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนก็ต้องได้คิดหนักอีกเหมือนกันที่จะพูดยังไงจึงจะเหมาะสมจึงจะสับบายยะสําหรับผู้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นสิ่งไหนได้ฟังมาบ่อยๆกับพวกเราก็ เอาจิตใจเข้าสมาธิากำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ต้องฟังแต่ตัวไหนที่ยังไม่เคยได้ฟังพวกเราก็เอาปล่อยจิตปล่อยใจออกมาฟังศึกษาในเรื่องนั้นๆนี่แหละพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดพวกเราจะสบายใจพวกเราจะไม่ทุกข์ใจฟังแล้วไม่ซ้ำซากพร อ, อะรเรานั่งสมาธิฟัง กำหนดดูใจเลยไม่ต้องรู้ทางหูอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้เราก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมอีกประวัิการปฏริบัติของเราเนี่เป็นยังไงมันได้ผลยังไงมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้ก็พวกเราก็เอาศึกษาวันนั้นพวกเราคณะจธาง่าดโจมผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดหรือไปวัดอื่นมา ก, ก่อน เคยศึกษาในภาคปฏิบัติวัดอื่นมา ก, ก่อนหลวงพ่อเองขอแนะนําถ้าหากว่าเราไปประพฤติปฏิบัติอย่างวัดอื่นพวกเราก็จะสับสนบางทีเขาเราเข้าไปศึกษาวัดนั้นบ้างสำนักนี้บ้างครูบาอาจารย์องค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างแต่มากหลากหลายในแนวความคิด หลวงพ่อเปรียบเทียบก็ว่าเหมือนกับพวกเราหาเงินหาเงินมันมีหลายวิธีการหาแต่ได้เงินเหมือนกันแต่ว่าการหาเงินทางไหนที่ถูกมันก็ถูกด้วยกันไม่ใช่ว่ามันผิดเป็นเสียจะไปขายยาบ้ายามา้าคัญชา ย, ยาฟินอันนั้นคือเป็นมิจฉาทิถีอั น, นั้นมันผิดแต่ถ้าว่าเราทํรททรารั้วทำสวนทำราชการงานเมืองทาํามาค้าขาย มันก็ได้เงินแต่ว่าการได้เงินของเราเนี่ยก็เป็นเงินบริสุทธิ์เหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบกับภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติภาคภาวนาของพวกเราท่านทั้งหลายก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าบอกไปหาครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านหนักไปทางเดินจงกลมท่านก็บอกว่างึ่งการปฏิบัติไม่ต้องนั่งล็อกต้องเดินจงกลม ให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็กำหนดดูกายของตนเองและก็ดูใจของตนเองนี่แหละเราจะรู้ได้อันนี้ก็พิธีนึงแต่นี่เราจะไปทำอย่างนั้นมันถูกกับจริตนิสัยของเราไหมแต่บางคนก็บอกเอา้าดูที่จิตสิการเคลื่อนไหวของจิตของใจไม่ต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกดูใจอย่างเดียว ดูตัวผู้รู้อย่างเดียวให้มีสติสัมปชัญญะดูแนวแนวความคิดของตนเองไม่ต้องกําหนดลม้มอันนี้ก็เราคบฟังเราก็ปฏิบัติตามเขาที่สันแนะนำบางคนก็เอา้าต้องยกยกหนอก้าวหนอให้มีสติสัมปชัญญะในการยกการก้าวให้มีสติอยู่กับตัวนั้นอันนี้แหละถือทางถูกต้องทาง วิธีการปฏิบัติภาวนาอย่าไปส่งจิตไปที่อื่นให้มีสติอยู่อย่างนี้ผลได้สดเมื่อเราศึกษาไป ห, หลายๆแนวทางมากกว่านี้อีกวิธีการปฏิบัติพวกเราก็จับเงื่อนไม่ได้ก็สับสนทนี่ยในเมื่อสับสนผลที่สูงก็เลยไม่รู้จะเอาอย่างไรเผละเพลอเวลานั่งภาวนาเข้าไปไกลไปเห็นอะไรกาหนดดู เราก็ดูตามเดินตามดูตามอารมณ์ที่มันไปเห็นนั้นนี่แหละคือทางถูกต้องเราจะได้เห็นเกิดความเบื่อหน่ายคายไปได้นี่แหละอย่างนี้เป็นต้นแต่ตามไม่จริงถูกไหมตามที่ท่านแนะนำแต่เล่เหลี่ยมเล่กลของการประพฤติปฏิบัตินั้น เราต้องศึกษาในรายละเอียดเราก็ต้องเชื่อในฟังคําของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆอีกว่าเป็นยังไงจริงไหมหรือว่าท่านแนะนําสั่งสอนแบบมันมีหลักส่งเดชไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทีนี้เราก็ามาศึกษาอย่างวัดหลวงพ่อเนี่ยหรือวัดของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจะ บอกกล่าวแนะนำเรื่องแนวปฏิปทาหรือว่าแนวประพิธปฏิบัติให้ยึดแนวแถวสายหลวงปูมั่นหลวงปูมั่นท่านสอนอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นหนักจุดนี้สำหรับพวกเราให้ได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าสายอื่นมากมายวิธีการหางเงินเราก็ไม่ว่ากันเพราะอยู่ในเขตกรอบของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้ว ทกสายกระโดนมากก็อยู่ในสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าท่านพูดเอามุมใดมุมหนึ่งมาพูดพวกเราที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้พวกเราได้ยินแต่นำมาปฏิบัติบางทีก็สับสนเดินผิดที่ผิดทางอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอน หลวงพ่อพูดแต่ทีแรกเลยว่าที่ต้นเลยวิธีการประพฤติปฏิบัติเพราะหลวงพ่อเป็นสำ ม, มนเนินเป็นเด็กมาก่อนหลวงปู่หลวงตาท่านก็สอนหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ล่าท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาทําตนอย่างไรเพราะเด็กเนี่ยอายุ1112ปีจะรู้อะไรท่านก็สอนตั้งแต่วิธีการเบื้องต้นตตวเวลาก่อนนอนนะ วิธีเดินยังกลมนะวิธีนั่งสมาธิภาวนานะวิธีเดินยังกลมเดินบินธบาติก็ให้ขาขวาพุทขาสายถั่พุทธถไปด้วยนะบินธบาติถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องคุยกันพุทธถพุทธถไปเรื่อยแต่เราจะเดินยังกลมจริงจังเรากำหนดเส้นทางของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทางเดินยังกลมอย่าให้มันสั้นเกินไป อย่าให้มันยาวจนเกินไปประมาณสัก1 9 2เก้าสเมตรหรือว่า25้าเมตรเนี่ยถ้า30มิสเมตรจะยาวไปสักหน่อยประมาณ2ี่สิบกว่าห้าเมตรถึง19เก้าเมตรพอดีพอดีอันนี้คือครูาอาจารย์ท่านบอกเวลาไปอยู่ในที่สุดทางจงกลมข้างใดข้างหนึ่งเราประนมมือขึ้นระหว่างอก ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือประสานไว้ที่ท้องน้อยอย่าไปกวยแขนอย่าไปเอามือขัดหลังอย่าเอามือกอดอกเอามือท่าสำมรวมท่าสำมรวมท่าระวังท่าสัรวมระวัง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 อย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆุกดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเถิด อ, อ, อันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาแบบวรวบรัดจากนั้นกข า, ขาขวาพุธขาซ้ายโถเราทำไมจึงแผ่เมตตา เ, เพราะเราคนเราเนี่ยยังมีอารมณ์ขุนเครื่องกับเรื่องอะไรอยู่ เ, เราแผ่เมตตาอย่างนั้นแล้วใจของเราก็จะหยุดในการขุนเครื่องออจิตใจจะไม่ได้โกรธ มีอารมณ์โมโหโกธาให้กับใครปล่อยวางทั้งหมดในขณะที่เราจะเดินยงกลมเรื่องต่างๆเราจะไปเอามาใส่ใจในช่วงนั้นทิ้งทั้งหมดจากนั้นกขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทพุทโทพุทธโธแล้วไปสุดทางเดินโยงกลมก่อเลี้ยวขวาหันขวาเฉลี่ยกขาขวาพุทซ้ายโทพุทโทพุโทโธนี่แหละเดินนานไหม นานเท่าที่จะนานได้เอาจนเหนื่อยอสองสามชมั่วโมงอย่างที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่ฉันจังหารขึ้นไปส่งบาจแล้วก็เข้าทางได้จงกรมจากนั้นก็จนถึงได้ยินเสียงกลองเพลงฮะนานพอสมควรจากนั้นก็หยดุดนี่แหละเวลาเราจะหยุดเราก็ปนมือขึ้นระหวาง อ, อกเหมือนกันไหวครูซะก่อนพุโทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ว่าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเรื่องจิตภาวนาเรื่องเดินจงกลมเนี่ยเป็นระยะเป็นระยะยาวพอสมควรด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญนี้ขอขอให้เป็นพลังเคืือกุณหนุนดวงวิญญาณรัฐท่านผู้ใดจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าและขอขอให้ข้าพเจ้าจเจริญยิ่งด้วยอายุวันะสุขภาลห้มีความสุขตลอดชีวิตของข้าพเจ้า อันนี้ก็คือความปรารถนาในใจนะพอเราสร้างคุณงามความดีแล้วเราจึงรับผรอเราจึงตั้งความปรารถนานะแต่ไม่ใช่ว่าปูปรับไปที่ไหนก็ตั้งความปรารถนาไปเรื่อยตั้งที่ตัวเองไม่ได้สร้างคุณงามความดีแล้วมันจะสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ทำซะก่อนนี่แหละพิธีการได้นยงกลมจากนั้นเวลาขึ้นมาจากทางเด่จยงกลม ถ้าจะให้มันต่อเนื่องก็ยิ่งดีตอนหัวคำ่ำเดินยังกลมพอจากนั้นก็ขึ้นมากุฏิเราก็หันเราก็นั่งคุกเขา่ากราบพระไม่มีพระในกุฏิไม่เคยมีพระพุทธรูปแต่เราก็กราบไปทางหมอนของเรานะ่กราบลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ กราบครั้งที่หนึ่งพุทธโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบครั้งที่สามสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วก็ยกมือใส่ระหว่างจบบนศีรษะก็นิพพานังข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หวังอย่างอื่นเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารถึงพระนิพพานเท่านั้นไอ้อันนี้ในใจของเราเราเวลากราบพระนะไม่ใช่กราบสามครั้งเฉยๆนะ กราบพุโทโธกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์แล้วก็จบมือใส่บนศีรษะกับนิพพานังข้าพเจ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้ า, า, าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานจะไม่มาเวียนไหว้าตายเกิดหวังถึงธรรมันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนเอาไว้แล้วนะจากนั้นก็ไหว้พระเลยทีนีาหังสวากันปโนสุปติปันโนอิติปิโสภควาอราหังสัมมา การเยยวายจาเราสวดมนต์เสร็จแล้วก็เราก็แผ่เมตตาอีกอย่างทีว่านะีข้าพเจ้าจงเป็นสุขหรือจะว่าอะหังสุกิโตมิณิโตโ ห, ม, โหมิอเวโรโหมิก็ได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องแผ่เมตตาที่ว่ารวบรัตเหมือนกันข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขอันนี้เป็นภาษาใจของเรานะจากนั้นเราก็นั่งคัดศมาธีแล้วแต่ไห น, นขาขวาทับขาซ้าย พอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกอ่าไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธสัโมสังโฆเหมือนเราเดินโยกลมแล้วแหละจากนั้นเราก็แผ่เมตตาอีกครอบหนึ่งคือทําใจให้ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดปล่อยวางขณะที่จะนั่งภาวนาไม่ต้องคิดถือโทษโกรธเคืองไม่ ปลูกพยาบาทอาฆาตกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดทําใจให้เป็นกลางที่สุดในขณะที่เราจะนั่งจากนั้นพอแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ถ, ถ้าเราเดินเรากําหนดขาขวาพุทธขาซ้ายโทนะแต่เราเวลาเรานั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโท นั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้เป็นชั่วโมงเดืใหม่ๆเราอาจจะตั้งนาฬิก า, าให้บังคับให้ตัวเองเอาข้าวไปเจ้าจะนั่งสักสามสนาทีนะ่วันนี้นะเดี๋ข้าวไปเจ้าจะนั่งสักถึงหนึ่งชั่วโมงหนะ่วันนี้นะตั้งนาฬิกาใส่เลยทดลองดูทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเป็นยังไงนี่แหละเราไม่ต้องดูนาฬิกาบริวญใจของตนเองมากกว่ากดโทพุทโธพุดโท แล om, ว้วหลวงพ่อก็แนะนําว่าถ้าหากว่าพวกเรามันใจมันออกป ok นะอกแว๊กน่ยทดลองนับตัวเลขดูนะหลวงพ่อแนะนำนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3นับสี่นับห้าถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอใช้ได้ถ้ามันเผลอนับไปแล้วมันเบอเอรแล้วมันเผลอไปหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี่คู่ไปถึงร้อย ถ้ามันไม่เผลอแปลปว่าใช้ได้ถ้ามันเผลอเนี่ยมันอขี้คู่แล้วก็คู่ขี้ไปหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่รู้ได้เลยเอเอาตายเราขาดสติแล้วมันขาดช่วงไหนวะเราก็ตั้งต้นใหม่อีก เ, อเราพยายามต้องตั้งตัวให้เข้มแข็งขึ้นอีกนี่แหละวิธีการภาวนาจากนั้นใจของเราจะตั้งหลักได้ใจของเราจะเป็นสมาธิใจของเราจะตั้งหลัก เมื่อตั้งหลักเป็นสมาธิดีแล้วเท่นี่ใจนิ่งใจสงบใจไม่หิวไม่โหยใจไม่กระวนกระวายใจเป็นสมาธิจากนั้นนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือ ว, ว่าวิปัสสนาอันนั้นที่ว่าทําจิตใจให้สงบนั่นคือสมัทธะแต่เมื่อเรานํามาพิจารณาเนี่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนา แต่สมัตทําจิตใจให้สงบแต่วิปัสสนากานกรองไตรตองคลี่คลายดูเรื่องราวต่างๆที่ใจไปติดไปข้องใจไปให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆใจของเราเนี่ยโดยมากจะลุ่มหลงมัวเมาให้ความสําคัญอย่างอื่นให้ความสําคัญเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่า ใจของเราให้ความสําคัญเรื่องของกายพอมันเกิดมาออกมาจากท้องแม่มันก็ออกกายออกมาด้วยพอมาอยู่ด้วยกัพอมันใหญ่ขึ้นมามันก็เลยติดในร่างกายร่างกายเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามไปที่ไหนเหาะกระโดดโคลดเต้นไปที่ไหนก็คือค อ, ออกกายกระโดดไปผลที่สุดมันก็ว่ากายของของมันร่างกายเป็นของเราเราเป็นกาย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอ่อติดในร่างกายคิดว่าหลงก็หลงร่างกายข้าเนี่ยเป็นใหญ่ข้าเนี่ยเป็นผู้มีศักดิ์มีสีข้าเนี่ยร่ำรวยเนี่ยข้านี่เป็นใหญ่กว่าใครเป็นผู้มีสติปัญญากว่าใครทั้งหมดมันหลงมันหลงร่างกายไนงะเอ่อมันมันยกตัวเองมันหลงร่างกายแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจเนะี่ยมันหลง หลงร่างกายนะไม่ใช่หลงอื่นพ่อหลงละร่างกายของตนเองแล้วมันก็หลงร่างกายของคนอื่นว่าร่างร่างกายคน อ, อื่นเส็จสวยงดงามจากนั้นก็หลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงลาบยศชนะเสริญมันมีทางหลงต่างเยอะแยะไปหมดเลยท่นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าสรุปแล้วก็คือมันมันหลงกายนี่แหละวิปัสสนาแล้วท่นนี่ วิปัชนุกลเลยท่นี่เอาวิปัชนึกวิปัชนามาคลี่คลายมาดูร่างกายของเราแหละท่านนี่มากำหนดดูกายของเราร่างกายของเรามีอะไรบ้างในร่างกายนยี่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้สวดเมื่อกี้นี่เกษาผมโลมาขนนค า, าเล็ตันตาฝันทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็ดูน้ำเลดน้ำเลือดอยู่ในร่างกายแล้วก็ดูอวัยว ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะทกส่วนของร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนถ้าเราคิดดูเฉยเฉมันยังภาพภาพรวมอยู่ทดลองแยกดูซิ แยกให้เป็นชัดส่วนสิอาเป็นศุนส่วนไวสิอาการ32เกษาผมถอนผมไว้กองหนึ่งนักกองขนไว้กองหนึ่งเอสาโลมาคือขนหนัาขาเล็บถอดเล็บถอดฟันไว้กองหนึ่งถลกหนังไว้กองหนึ่งแล้วก็เนื้อกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งเอ่ยไล่ไปตัดปอดหัวใจไตไล่เอาเป็นกองกองกององไปเอ่เหมือนกับเราชำแหละ ชำแหละเนื้อสัตว์อย่างนั้นหรือชำแหละสัตว์อย่างนั้นแะ่ะชำแหละกายของเราแยกส่วนแบ่งส่วนกายของเราให้เป็นกองๆ อ, งอจากนั้นก็ดูเลยอันไหนเป็นของเราผมขนเล็บฝันหนังใช่ไหมเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรานะเป็นปัจจัยอาศัยอร่างกายก็เป็นของเราแต่ชำแหละอย่างนั้นออกไปแล้วนมันไม่ใช่ของเราละนะใจนะ นี่แหะสรุปแล้วก็คือท่านให้สอนใจนะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้สอนใจใจตัวผู้รู้รอยู่นั่นน่ะตัวนั้นแหะท่านให้สอนตัวนั้นอย่าไปหลงนะให้รู้เท่ารู้ทันนะไอ้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทน ะ, ะร่างกายในอีกสักวันหนึ่งนะจะถึงต้องถึงจุดจบนะตายแน่นะไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะสิ่งเหล่านี้เออคือใจสอนใจ สรุปแล้วนั่นแ่ะการพิจารณาร่างกายคือใจสนใจในเมื่อเราพิจารณาให้ถีท้วนแล้ว เ, เห็นใจของตอนเองแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายเบื่อหน่ายกระทั่งใจอีกต่ใจมันก็เป็นตัวนในจังเหมือนกัน เ, เดี๋ยวก็คิดนั่นแล้วก็คิดนี้มันเป็นอนในจังสิ่งไหนที่เป็นอนในจังบางทีคิดทุกบางทีก็คิดได้สุกมันเกิดขึ้นในใจ คิดว่าคิดสุกเนี่ยคือมันผ่องใสแต่ว่าคิดทุกข์มันเศร้าหมองมันเศร้าหมองผ่องใสมันอยู่ในจิตในใจของเราไอ้ตัวทั้งสองตัวในทั้งโชคทั้งรูปเนี่ยเป็นอันนี้จังเหมือนกันของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราได้อย่างไรมันไม่ใช่เรานะใจนะปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะใจนะนี่แหละให้พิจารณาถึงกระทั่งใจอันดับแรกก็คือพิจารณากายซะก่อน พอใจมันหลงกายในเมื่อพิจารณากายถี่ท่วนร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาอย่างไงก็มันไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็ย้อนเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้มเมื่อพิจารณาตัวผู้รู้ใช่ตัวผู้รู้เหนือเป็นหลงเขาอีกต่างหากตัวผู้รู้ ก, ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนั่นแหละธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปที่ไหนมันวนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจ ปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางานิพพานังไม่หาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราความรู้ไม่หาที่ไหนอยู่ที่ใจของเราถ้าเรารู้ขึ้นมาแล้วตัวไม่รู้มันก็ตกไปอันนี้ก็เหมือนกันความบริสุทธิ์หลุดพ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วตัวกิเลสอยู่ในใจของเราเมื่อกลุดไป ความไม่บริสูตรมั่งกระโดดไปความหลงมั่งกรหลุดไปมีแต่ความบริสุทธิ์เป็นอมตะจิตอมตะธรรมอมตะธาตุเนี่ยพอนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างนี้จะรู้เห็นรู้แจง้งเห็นจริงอย่างนี้เราไม่ควรจะลุ่มหลงหมัวเมากับโลกจนเกินไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะ ปู่ย่าตายายบ่งสาขนาญาตญาติมิตรสหายของพวกเราที่ล้มหายตายจากไปเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เ, เราจะไม่เป็นอย่างที่เรารู้เราเห็นมาใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราเขาเดินมาอย่างไรแล้วก็เดินตามหลังเขาไปอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าให้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ที่ได้รับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาเป็นทอดๆ อ, อย่างนี้แหละให้เราพิจารณาดูสิในเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนั้นความสุขมันจะเกิดขึ้นที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะไม่ต้องหาที่ไหนนะจิตใจของเรามีหลักจิตใจของเรามีกฎมีเกณฑ์จิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราไม่หิวไม่หิวไม่หอยไม่สารวนกับสิ่งภายนอก ถึงข่าวของเราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เนีมันรู้รู้เท่าทุกทันถึงจะโลกกระทำเข้ามากระแทกขนาดไหนก็เถอะเราก็มีทำคุ้มครองของเราเดี๋ยโลกกระทำจะทํำยังไงได้เ อ, อเราไม่อยู่ไม่ใช่อยู่เหนือโลกกระทำเราก็อยู่ในกลุ่มโลกกระทำนินทาชนะเสริสนุกทุกเ อ, อเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่อย่างนี้แหละ เ, เราจะไม่ตายอย่างนั้นเหรอ ถ้าเราคิดจะตายอยู่แล้วทำยังไงได้ เ, เราค่ยคอยคอยไนสร้างคุณงามความดีมเาเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราจะประกอบคุณงามคนาดีไปเรืเอ่อยเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมคือการกระทาของเราเนี่แหละถ้าพวกเราคิดได้อย่างนี้ทำใจได้อย่างนี้หลวงพ่อว่า เป็นความสุขลึกๆนะอความสุขไม่ได้หาที่ไหนมันหาที่ตัวของเราเองแต่ถ้าว่าเรามีแต่ส่งออกไปข้างนอกอไปเจออะไรไปโดนอะไรเข้ามาก็โอ้โห อ, โ อ, โอมันเจ็บมันเจ็บลึกแื้วเกิด น, นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายนะอให้ตั้งใจภาวนายึดกรรมฐานตามแนวแถวของพ่อแม่ครูวายจารพาดําเนินนี่แหละหลวงพ่อแนะนําแนวแถวสายหลวงปู่ ม, มั่นนะ พวกเราปฏิบัติตามแนวแถวนี้แต่พวกเราปฏิบัติสายอื่นก็ใช่พอเดินไปแล้วก็จะมาพูดว่าจะทำใจยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรจะปฏิบัติตนยังไงพอเหตุใดก็ต้องศึกษาตามสายนั้นวิธีการกรีดยางเขากรีดยังไงมันจะเหมือนทำนาได้ยังไงแล้วก็ทำนามันจะเหมือนขายของได้ยังไงขายน้ำมันได้ยังไง ทำราชการงานเมืองได้อย่างไรเป็นข้าราชการได้อย่างไรมันคนละแนวกันแต่มันได้เงินเหมือนกันแต่เราก็ต้องศึกษาแต่ถ้าหลวงพ่อเองไม่แนะนำสายอื่นนะแนะนำสายหลวงปู่มั่นอย่างพวกที่หลวงพ่อเน้นหนักอยู่เสมอให้พวกเราเดินตามแนวแถวนี้ถ้าว่าเดินไปยังไงมีปัญหาเรื่องอะไรเออเอามามาถามได้ในการประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวสายนี้ถาว่านู่นสงกติจกไปข้างนอก ไปหาจะรวดดาวเทียมไปบ่งดูเทียวปุเทีย ว, วดอไปดูอะไรต่อไม่อะไรแล้วเกิดเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาเกิดวิปัชนูอุปกิเลส ข, ขึ้นมาอแล้วจะมาถามว่าปฏิบัติอย่างนี้เป็นยังไงก็ต้องไปถามผู้ที่เราศึกษาแต่ถ้าวพอพวกเรามาศึกษาตามแนวแถวที่หลวงพ่อแนะนําหลวงพ่อมั่นใจใมั่นใจในการ บอกกล่าวแนะนำคณะสิทธิานุสีคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายนะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตั้งต่อนนี้ไปนั่งสมาธิแลนะนทีนี้นะ